มีเสียงไปไม่ยินเสียงเรื่องเลยนะชดดมโลุ่นด้นเดาเดาไปเวลานี้จะมาเจริญสติที่ว่าสัมมาทิติเกิดขึ้นแล้วเป็นรุ่งก่บรุ่นแล้วในชีวิตของเรา เนที่เห็นทางแล้วถ้ามีสติเป็นสมาธิทิแล้วแล้วก็ประกอบสติให้มากขึ้นเป็นการงานชอบแล้วชอบที่สุดพย่อนรู้มีแขนรู้มันก็ไม่หลง มันก็ชอบมากเมื่อไปหลงมันก็ไม่มีปัญหาไม่โกรธไม่ทุกข์ล้วเพียรชอบตั้งใจอยู่เสมอในทอดทุละใจใจโยู่กับวิชากรรมฐานยกเมือสร้างจังหวะเกว่ากาจานุปัสสนา ทำให้มากเจริญให้มากที่ว่บภาวิตาพาอุดีกัตาทำให้มากความเพียรชอบเกิดขึ้นแล้วแต่มีความอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นขณะที่เราเจริญสติแล้วควางชั่วไปในตัวตามความดีไปในตัว คามเกียทบริสุทธิ์ไปในตัวก็เกิดสมาเกิดสมาธิตั้งใจไปชอบอันเล่ที่เกิดขึ้นราเลึกชอบก่อนพู้ก่อนลำก่อนคิดขณะที่พูดที่ทำขณะที่คิดอยู่ไม่มีอะไรที่ทำให้เราไม่ผิดพลาดได้เพราะเห็นอยู่เหมือนเรามีโรงตา เดินตาขึ้นแล้วตาในเราเดินขึ้นแล้วเห็นแล้วเห็นความหลงเห็นความรู้แน่นอนสัมผัสความหลงสัมผัสความรู้เป็นอย่างไรไม่ต้องมีคําถามเป็นคําตอบตัวเองแล้วก็เวลาเราหลงหัดรู้ เวลาหลงทุกข้งังหัดรู้ทุกข้ังไปที่ว่าทำที่ว่าการกระทำเกิดขึ้นอันหลงรู้ถูกต้องแล้วต้อมหลงแท้การเป็นความรู้อะไรที่เกิดกับกายกับใจมันจะเข้าแถวให้เราดูร้อยๆอย่างเห็นเรื่องเดียวบ่อยๆเห็นเรื่องเดียวบ่อยๆ นักเกิดการพบเห็นขึ้นมาไม่ใช่ชี้เห็นเป็นของเก่งความหลงก็จริงแบบความหลงมันมีอยู่เกิดมันไม่เก่งแบบความไม่หลงมีอยู่ไม่จนไม่จนตัวความหลงหลงเที่ลู่เที่ยด้านอะไรที่เป็นความหลง มีอันเดียวที่เข้าไปเฉลยมีความรู้จักตัวเข้าไปเต้าพ่วงอยู่แล้วการทําก็อยู่แล้วความเพียรก็มีอยู่แล้วร่วมแล้วที่อ่อแล้วความชั่วทำความดีแล้วไม่มีแครเอาความชั่วถ้าเห็นมันชั่วไม่มีใครเอาความทุกข์ถ้าเห็นมันทุกข์ เพรมันเห็นแล้วแต่ก่อนเราไม่รู้อยู่กับความหลงได้ไม่อายอยู่กับความโกรธได้ไม่อายอยู่กับความทุกข์ได้ไม่อายอยู่กับความหมกมุ่นคนคิดไม่อายไม่รู้จกอา ย, <c oughs> <c oughs> ยเวลาเวลานอนก็หาเรื่องหมาคิดบัดนี้เวลาใดก็เป็นเวลาเกิดสมาธิได้ รูทุกข์ก็ทุกทุกข์ก็นักทุกกรณีอยู่กับเรามันพร้อมแล้วากายใจมันพร้อมทมความดีก็ได้แลบความเชื่อก็ได้มันพร้อมอยู่แล้วแต่ก่อนเราไม่มีสติมันก็หลงไป ความโกรธข้ามหวานข้ามเคินความทุกข์ข้ามหวานข้ามเคินข้ามปีข้ามเดือนก็มีในโดยจากบัดนี้เรามีสติเห็นแจ้งตามความเป็นจริงความโกรธไม่จริงความไม่โกรธจริงกว่าความหลงไม่จริงความไม่หลงจริงกว่าความทุกข์มันไม่จริงความไม่ทุกข์จริงกว่ามันข้ามไปได้ข้ามล่วงได้ แบบนี้จนานานการใช่ไหมจานานแต่ก่อนก็กุกกขักสร้างอิติเกิดความหลงเข้ามาเป็นเช่นเหมือนสายความทุกข์ก็เกิดขึ้นอะไรต่างๆเกิดขึ้นกุกขักก็เราเดินไปเดินไปกับล้องตัวขึ้นก็มีงานทําก็ต้องเกิดอะไรขึ้นเวลาที่ทํางาน การเดินทางก็ต้องเหนื่อยบ้างแต่เอาความเหนื่อยไม่เอามาเป็นปัญหาให้การหยุดการเดินไปเรื่อยจรงจะเป็นการเดินปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันความขยันให้เราประกอบความเพียนความวิเหียงพา้า้เราหยุดไม่มีแล้วนีการกระทํำล้วน เมือนคนเดินทางความร้อนความหนื่อยไม่เป็นอุปสรรคกเดินทางผ่านความร้อนผ่านความหนือยจนจนิช น, น, น, นานผ่านความยากความง่จนชจ น, นิชา น, นานได้ให้เป็นการฝึกนสอนตน อ น, นั่นเป็นนอกตัวเราไปแต่ว่าการปฏิบัตินี้เป็นส่วนตัวเวลามันหลงรู้สึกตัวเวลาไม่หลงก็รู้จึกตัวอยู่มันชอบที่สุดเป็นสมาทิฏิเป็นลุ่มหลที่สุดขี้ทิชขี้ทางได้เห็นกนระแสโอ้จเจริญจิตมักเห็นกนระแสแห่งพระนิพานได้ เวลามันหลงความหลงก็มีอยู่เวลามันโกรธความไม่โกรธก็มีอยู่เวลามันทุกข์ความไม่ทุกข์ก็มีอยู่มันมีอย่างนั้นจริงๆมันก็ไม่จนง่ายๆเหนื่อไม่ไหลเหนื่อไม่ออก เปลี่ยนความู้เความรู้เปลี่ยนความกอดเนความรู้นี่ไม่ยากเลยมันเบากว่ากันอยู่เห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเอาไปมาเบาวิูวเลยการละหวัวใจิตละหัตาแต่ก่อนมันจบมันทุกข์หนักมากหน้าบูดหนาเบ้งหลังนี้เห็นมาความทุกข์อาจจะยิ่ยมน้อยก็ได้ เออดมาโกรธอาจจะยี่มบอกวานิดหน่อยก็ได้หัวเราความโกรธหัวเราความยุ่ได้เยอะๆได้แต่ก่อนผ้าหนักผ้าหินดีผ้ายินร้ายกับประการต่างๆจนมาเห็นใบบอยเห็นบ่อยเข้าไปแล้วก็มีอยู่เก่งในชีวิตเหล่านี้ไม่ต้องไปหาที่ใดม่เป็นสูตรอยู่มันเป็นหลักสูตร ได้จะอ่านหลักสูตรให้ตัวเองฟังก็ได้กายจะว่ากายไม่ใช่สัตว์ปกคบตัวตนเราเขามันมีอยู่กายเย้ากายไม่เป็นตัวเป็นตนอ่านหลักสูตรก็ได้ถ้าไม่อ่านหลักสูตรก็เห็นแจ้งไปเลยมันมีมันแสดงออกบางทีอะไรเกิดกับกายออกมาเป็นตัวเป็นตน ไม้ถูกต้องเสมอไปตนอะทำให้ตนที่เป็นอุปทานอะมาเป็นการติดขัดร้อนเป็นเพวิร้อนความร้อนยิ่งใหญ่เสร็จแล้วเป็นตนอยู่ในความร้อนความเหิวความปวดเป็นตนอยู่ในความปวด เอาอาการมาเป็นตัวเป็นตนทับดา ม, มันรับใช่มันอะไรเกิดกับกายเป็นจักว่ากายเป็นอาการบางที่อาจจะขอบคุณอาการด้วยที่มันเกิดกับกายถ้าไม่มีอาการมันก็อยู่ไม่ได้ แค่มันหิวอย่างนี้ก็มันหิวมันขอบคุณความหิวไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์ความเหนื่อยไม่ลไรไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์ได้เป็นสิ่งที่น่าขอบคุณกายธรรมชาติของเขาอาการของเขาความร้อนความเหนื่อยเป็นอาการของกายใช่ให้มันเป็นพลังใของเขา ไม่ต้องออกมาเป็นตกเป็นตนเป็นปัญญาเจริญาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เหมือนกันอ่านพระสูตรตเป็นเป็นสูตรจางนี้ง่ายๆ่าแล้มีคนเดินผ่านทั้งนี้กันทั้งนั้นพระหันทั้งหลา ย, พ ร, ลายพระสงฆ์ทั้งหลายพระสาวกทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายเดินผ่านตรงนี้เหมือนกันหมดทางสายเดียวเช่นเดียวกัน ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราก็ส่วนตัวความจบความทุกขก็มีเหมือนกันใครก็มีเหมือนกันไม่มีใครที่ไม่มีเช่นสิริธะมเนี่ยมีมากมีภาษาสามฤดูมีทรัพย์สินเฉดึ่คานมีพระราชาสมบัติ พระอะไรต่างๆสาวสนมกำนันนายและมีพระเจ้าจักรพรรดิอยู่ต่อหน้าต่อตาด้วยยิ่งใหญ่จะ ต, ต้องเป็นกระเสที่เป็นความคิดไปบ้างขนาดเพี้ยพาราคนก็ใหญ่แล้ว มีเหมือนกันบางที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ใช่ยิ่งใหญ่อะไรแต่มีงานไม่การแต่ไม่ใชยิ่งใหญ่ก็มยิ่งใหญ่คือเนี่ยสมมาทิฏฐิเนี่ยสมาทิฏฐิยิ่งใหญ่หญ น, นั่มน <c oughs> ม, ม, มีสมาธิที่เกิดขึ้นมีสติเกิดขึ้น ในการทำงานชอบชิดชอบผู้ชอบตั้งใจชอบจังติใจชอบเกิดขึ้นมันใหญ่มากแล้วเนี่ยถ้ามนุษเท่าคนเราเกิดอยู่ตรงอารียมมากนี่เข้าไปอะไรจะเกิดขึ้นในแผ่นเดนี้ไม่ใช่มาชิดชอบโดยการทำเท่านี้มันใหญ่กว่านี้ไปอีกหลายอย่างที่เกิดจากสมาธิธ กิจากการง า, ช น, านชอบก็เกิดขึ้นมีความเพียรชอบก็เกิดขึ้นเป็นวัตถุเป็นดำไมททำเกิดขึ้นตั้งใจชอบอะไรเกิดขึ้นเพียรชอบกเกิดขึ้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่ความเพียรไ ม, ม่ใช่สำมาทิฏฐิไม่ใช่สำมารกรรมตะม่นเกิดขึ้นมาจากต้องมักแน่จนเกิดตะเลียยสัตว์ขึ้นมาเห็นแช้ง ได้คิจะดีถูกต้องทุกสิ่งทุกเกิดเกิดแต่เหตุดับที่เหตุสรุปให้เราได้แล้วก็สรุปลองเรยกว่าอาริยสัจจีได้น้อ ย, อยมีเหตุกับผลเท่าด้านเอง <c oughs> ทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุ ไม่ใช่เราอยู่ดีๆจะมีทุกข์มีสุกเลยไม่ใช่ไม่มีเหตุเสียก่อนเรีกว่าทิศดีที่เหนือทิษดีทั้งหลายไม่ต้องไปรเรียนทิศดีโลกใดอยู่ในเรานี่ยโดยว่าอะไรมันพอกอยู่แล้วมันหลง เพราะมันมีความรู้สึกตัวแบบความรู้สึกตัวมันต้องไปขอใครอยู่กับเรานี้มันทุกข์เพราะมันหลงนั้นโกรธเพราะมันหลงทําไมยังหลงเพราะไม่รู้สึกตัวทําไมยังไม่รู้สึกตัวเพราะไม่มีสมมติทิศไม่ได้สร้างสติทําไมไม่สร้างสติเพราะ ไม่มีเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเวลามีเวลาอยู่ทุกโอกาสถ้ามันหลงในเวลาแห่งความหลงมันมีเวลาแห่งความไม่หลงก็มีอยู่ด้วยกันนานถ้ายังหลงเป็นอยู่ยังรู้เป็นได้เจ้นทุกไปได้ก็ยังไม่ทุกได้ไมันอยู่ด้วยกันเหตุเกิดที่ใดเปลี่ยนที่นั้น ทันทีแล้มันก็ไม่มีมากมีกายมีใจทุกคนมีกายมีใจงั้นการหมดควมหลงที่กายเอากายมาเปลี่ยนเป็นไม่หลงอีอุปกรณ์ที่ปิดความไม่หลงได้เยอะแยะ หายใจเข้าก็ได้เกิดน้ำลายก็ได้พิบตาดูก็ได้จุด น, นี้ก็รู้ได้ถ้าหัดอ่ะแต่ถ้าไม่หัดไม่ใช่แล้วก็พ่อควรความหลงฮีตเรามาถึงปุนณนี้่มันมีความหลงมากหรือมีความรู้มากเพราะไม่ฝึกตนสอนตน <c oughs> จึงมี งานแบบนี้ขึ้นมาเป็นส่วนรวมมีสถานที่มีบุคคลมีธรรมะต่มีผู้พูดให้ฟังอยู่นี้ที่โยชนได้ไม่หลอกชวนพูดชวนทมแต่ว่าเอาให้กันไม่ได้ให้ทาหอดเองเอามือเบาๆบนเขา่าปิกมือขึ้นรู ยกมือขึ้นรู้เหมือนกันหมดนั่งอยู่นี่ถ้าทุกคนมีมือก็มีมือเหมือนกันเอาเบวางเหมือนเข่าก็มีเข่าเหมือนกันตะแคงมือก็มีจีอาที่แคงเหมือนกันยกมือก็มีจีอาที่ยกเหมือนกันเท่าเทียมกันมีความรู้จักตัวเหมือนกัน ถ้ามีความรู้สึกตัวขณะที่ยกมือก่อนที่ตั้งอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันหมดทุกอนรู้สึกตัวเหมือนกันหมดเวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรูปได้เหมือนกันหมดสติเท่าเทียมกันเราไม่โกรมีสติไม่โกรธรู้สึกตัวได้เท่าเทียมกันเราไมนทุกมีสติไม่ทุกได้ ใจสติของเราได้หากใจสติเป็นธรรมมาทิประตายร้ยเปอร์เซนต์ความโกรธความทุกข์ความหลงก็มไม่ได้ถือสตาวุธมาบั ง, บงคับเราจับคุมคุมขังเรานั้นโง่งเห็นได้ <c oughs> จอมผัดได้ เราจะมาสัมผัสกับความรู้สึกตัวนันมันจะเป็นอย่างไรทำให้มากการทำให้มากเนี่ยไม่ใช่จริงจังจนไม่หลับไม่หลงนะก็เราก็รู้สึกจริงจังกันพอสมควรโดยเพพาะคนจีนที่มาเนี่ยพี่น้องชาวจีนมาเนี่ยปฏิบัติทำจนน้ำหนักลดถือห้ากิโลบางคน ถามเขาว่าเป็นเพราะเหตุใดกินไม่ได้หรือเขาว่ากินได้อาหารไม่ถูกปากหรอถ้าอาหารไม่ถูกปากก็ไปทเาเมาลงทานก็ไป็เขาว่าอร่อยดีทาไมจึงน้ำหนักลดเขาว่าเขาเดินมากเดินจังกว่มากนะนก็เหมือนกันนะ จะครั้ง น, นี้บนหลงตาไปวันที่ยืสบสองถึงสามเอ็ดตุลาจะไปไหม <c oughs> มันก็หาคนสอนอยากที่เมืองกีนไม่ค่อยมีเราสึกเขาก็ต้องการมากนาไปถ้าอาจ า, ารย์ทศน์ไปก็ยิ่งจะดีใหญ่ เป็นเชื่อสายจีนเหมือนกับ <laughs> แต่ฉันชาตไทยเชื่อสายคนจีนเข้ากันเลยดีตาเคยไปคุยอวดเขาเจ้าวาดก็เป็นคนจีนนะ <laughs> แล้วก็มาเห็นกับตาเขาแล้วแต่ก็ชอบอันนั้นเนี่ยเอาจิงมากก็ไม่ดีนะให้เบาๆทาเบาๆทำเล่นๆ มันทุกข์ก็หัวความทุกข์บ่อยมันหลงหัวลความหลงบ่อ ย, ม, อองงอยมีสติเรื่อยไปสนุกสนุกนะปฏิบัติทําไม่ผิดอะไรเลยเป็นเรื่องสนุกเห็นหลงก็หลงจริงๆมันไม่หลอกเราอันความหลงไม่แหละคือความหลงมันก็บอกเราเราก็เห็นโอ้ตื่นความหลงมีความรู้จากตัว เปลี่ยนหลงเป็นรูปเนี่ยมันจบดั่มนามันความหลงเนี่ยไม่มีอะไรที่แม่นยําเท่า ก, กับเปลี่ยนหลงเป็นรูปได้เปลี่ยนหลงเป็นรูปไ ด, ปปได้มันก็เปลี่ยนทุกไปทุกอย่างเลยทีเดียวภาษาอะไรกิเลสพนหน้าตนาฬิกาแปดมันเกิดจากความหลงเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอย่าไปกลัวบางก่อนมาต่อรองมีกิเลสมาก ไม่ใช่มันยิ่งดีจะได้เป็นสงามเป็นสนามฝึกเรามันฝึกได้มันสอนได้แั้นก็มีอยู่เนี่ยเห็นอยู่ไม่ใช่งมมเสาวๆดุลนุ่นเดาๆพิกมือขึ้นลู่จึกตัวยกลู่จึกตัวมีอยู่ เพราว่าที่ลูกเอาวัตถุมาประกอบหลายอย่างได้มันชิดไปโน่นเมืองกินกลับมาเนี่มันอยู่ที่มือแล้วทันทีเลยไปก็เสียงยอกสติเนี่ยมันชิดไปก็สีสัง่งกลับมาเนี่ยมันชิดไปกรุงเทพกลับมาเนี่ยมันชิดไปโน่น ออมเพอเจอแล้วไม่เกียรติกลับมากลับมาเลยนะฮมาจากเสนไม่เกียติบุรีรามุนอีสานตอนได้มาแม่ว่ากันนันวอเดชฮะที่ไปไหนกของเทพกลับมาเนยะเมืองเลยที่กลับมาเนะี่ยมันยากอะไรนะ มันง่ายที่สุดันเปลี่ยนหลงเป็นโล่เปลี่ยนทุกเป็นรู่เนี่ยอุย้ยมันทำไรเน่ยมั่นใจแล้วแล้วไม่เปลี่ยนน่ะยอมมันเป็นธาตุของมันรับใช่มันเราจึงมาทําเรื่องนี้กันเนี่ยจะหลงอยู่จนตายเลยจะโกรธจนตายจะทุกข์จนตายเลยมันไม่มีความหลงความโกรธความทุกข์ หลอกเราเฉยๆถ้าเราฝึกมันก็เป็นขั้งสุดท้ายได้นะสุดท้ายที่สุดจบลงในวันนี้เลยทีเดียวความหลงหมดไปสุดชิ้นแล้วตั้งแต่อย่สโกโตนให้มันได้ภูิใจ ย, ยกมือไหว้ตัวเองชักวันหนึ่งเราจะพูดออกมาได้ กายจัากรายไม่ใช่สัตว์ปกค น, ตตนโตตนหลเขาชกทุ ก, ทกโกรธ่ลงหลงสักว่าไม่ใช่เราจะเป็นคาพูดของเราเดี๋ยวนี้เป็นคำพูดขอ ง, รของพระเจ้อาอยู่เอามาเป็นเรื่องของเร า, าทำามเราไปละสิทธิของเรายอมยก่กับความทุกข์ความหลงความโกรธ ความกดความทุกข์องบาถึงคนเนี่ยช่วยปฏิัทิธรรมมันช่วยกายช่วยใจเราให้พ้นธาตุพ้ น, พนขี้ข่าของความหลงไม่เคยช่วยตัวเองเลยชีวิตอะเกือบส0มสปีแล้วปล่อยให้จมอยู่กับความหลงความกดความทุกข์เพียงแต่คิดเฉยๆก็น้ำตาไหล มีไหมไม่เชียร์น้อยคิดขึ้นมาน้าตาไหลมีไหมคิดขึ้นมาแล้วนอนไม่หลับมีไหมคิดขึ้นมาเรากินไม่ได้มีบ้างไหมคิดขึ้นมาเราโกรธ ม, มีไหมคิดมาเรารักมีไหมามตามความรักทาตามความโกรธเราใช่เขาแล้วมด้อะไร มันมีอันนันมันในโกรธไปทุกมันมีอยู่นะเสียดายชีวิตของคนนะถ้าไม่ตรงนี้ล่ะไม่คุ้มค่าหรอกเสียชาติเลยเสียชาติเนี่ยชาติสุดท้ายของเราสมบูรณ์ที่สุดแล้วในชีวิตของเราเนี่ยจะหาโอกาสใดล่ะที่จะไม่โอกาสากอย่างนี้มันพร้อมที่สุด ประเทศไทยง่ายเหมือนประเทศเอื่นก็ได้มีวัดมีศาสนาพุทธศาสนามีนักบวชมีพระสงฆ์มีวัฒธรรมมีศิลธรรมมีประเพณีเราก็มีสิทธิได้ที่นี้ต้องการให้วา ปรึกษให้มาอยู่เราก็ภูมิใจที่มีคนมาอยู่มาชาใช่นะหมเหมือนกับมีหวังนะทั้นคนเข้าวัดเข้าว่านะมีหวังจากน้อยเขาได้ยินอาจารย์ไปสารพูดจากน้อยเขาได้เห็นเพื่อนอยู่ที่นี่เพราะสงหนมหนมอยู่ที่นี่ ถ้าเกิดสัมอาทิติเกิดขึ้นในชีวิตเราร่วมกันเลยอะไรมันจะเกิดขึ้นในโลกนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นมากกว่านี้อกีกกว่าไปแลตายยังคงใจอันนังเดินรอบๆวัดดูเห็นเข้าหลามต้นเข้าหลามไผ่เข้าหลามไม่เคยมีที่นี่มีกอเดียวอยู่แต่ลาน้า ตัดจะไม่เหลืออะไรก็เดียวที่ขึ้นมาอยู่หลังเขาเอามาจากบางเลยตัดจะไม่เหลืออะไรที่แรกก็ขอต่เราก็ไม่ขอเลยเว่งมาก็ตัดเอาตัดเอาตัดเอไปจนเกี้ยงไปเลยเดี๋ยวนี้กำลังเกิดขึ้นมาแล้วสองสามหลงตอเนี่ยกลามมันขึ้นมานี่หล้อาจารย์ทุ่มเอามาจากบางแพร่เอารถไปแจว เห็นข้าวหลามต้นข้าวหลามห้ามสับนะห้ามสับข้าวหลามไม่ข้าวหลามตอโนอมันนะต่อไปวัดโชโกโตจะขายข้าวหลาม <c oughs> <c oughs> ออกแบบข้าวหลามให้บแต่แปลวพรมปจาของชาวเขาอันดราไปอยู่กับเคยไปอยู่กับชาวเขาไม่เขาไม่มีมุกอ่อยแจง ก็ไม่อะไรก็มีไหม้ภายเข้าเผาก็าลวนหลามอะไรมาก็หลามใ่ข้าวเจนต่อไปเราเจนเข้าหลามก็ได้ไม่ต้องมีธ บ, บาทมีเผือกมีมันเดี๋ยวนี้ขายขยะลงทางขายขยะ <c oughs> ได้เที่ยวแล้วพัน2องพันนนอ่ะไม่ใช่น้อยนะ2 อ, อาจารย์โนุชอาจารย์ตุ้มการตุต้ยเ <c oughs> ทศบาลสุกโตอ๋อเพราะนั่นเนี่ยอากไปเอาข้อหลามให้ข้อหลามใหม่ไหมให้อาจารย์ตุ้มไปเอาอมันอะไรเกิดขึ้ น, น, นหนม่เกิดนี่ยสัมมาทิติเกิดขึ้น คิดชอบการนานชอบตั้งใจชอบกพืนชอบเกิดขึ้นมาแล้วถ้าทำปฏิทิศทำถ้าเบี่ยนของตนไม่ใช่เนี่ยจะเป็นอุดต่ไปจะเป็นอุดทีอย่างเลยทีเดียวอะไรพัดอย่างตั้งแต่ไปดูของกินได้รอบสระเก็บเฉ็บแนเดแล้วจะไม่เป็นอุทียานได้ยังไงของกินได้รอบขู่สะเก็บเฉบแนเดแล้ว มือห้านิ้วของเราช่วยกันขึ้นมาท้ำ ม, มาทิฏินะแต่ก่อนรักลูกรักเมียรักพ่อรักแม่รักพี่นอ้องเดี๋ยวนี้มันรักไมติดเม็ดสายเลยทีเดียวรักอะไรทุกอย่างมันยิ่งใหญ่มากส้ ม, มาทิติตัวนี้สติตัวนี้ไม่ใช่มานั่งนอนนอนอยู่ ก็เกิดขึ้นกับคนในโลกในประเทศไทยนะั้าครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะสมม ต, ติตัว น, นี้อรนิสัตีตัวแนวมีเหตุกับผลเถเนี่ยมันสามารถละเหตุชั่วทำเหตุดีได้สำเร็จแล้วมันพพ้อมที่จุดก่อยของเราใจของเราแนวดองตาก็ชีวิตเหลือน้อยแล้ว ขอเพิ่งพาใส่พวกเราไม่ช่วยกันสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นให้ได้เจออยู่ที่นี่มันเสียเวลาอะไรหลายอย่างที่อยู่ที่ไม่ได้มาทำนัานนจริงๆเพิ่งมาสี่ห้าปีมาเนี่ยนีคนเข้าวัดเข้าว่าอาจารย์ไาสารมาอยู่ส0ปีมาเนี่ย พวกเรามางอยู่ตอนทุ่มจอดโนจอดต้องสินมาอยู่พวกเราเพื่อนทุลุ่มมาอยู่แ้วปึ้งเม่หวังขึ้นมาลิบหลีก็จะตายแล้วมันก็เสียเวลาคงไม่เสียเวลาแต่นี้ไปสุกโตนะทอมสะจนแล้วไปก็หมดแล้ว ป่าก็ปลกหมดแล้วคนลักตัดไม้ก็ไม่มีแล้วสัตว์นี่ก็หมดไปแล้วอกแก้งพวกหนูหมดไปแล้วแล้วแต่โงตองอ่างอยู่ที่นี่ท่านถ้ามันกินได้ อ, องจาหาล่ากันทันทะีนะเด็กนะจงขอเพ่งพราให้พวกเราช่วยกันนะช่วยกันมีประโยชน์ เราก็ไม่เกี่ยวข้องกับผู้คนมีครอบครัวผัวเมียพ่อแม่พี่น้องเป็นพยาบาลเป็นหมอยิ่งดีใหญ่เขาช่วยคนอะ่ะซัำมาทีเดียมันเกิดอะไรไปเหนือเกิรเคยเจเย็บตายไปทีเดียวไอ้เอชื่องเล็กน้อยนะ เหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายทีเดียวถ้ามีสมาธิก้าวข้ามไปตั้งแต่มันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรูปเนี่ยข้ามไปข้ามไปข้ามไปภาษาอะไรความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่เหงื่อไม่ออกเพียงแต่ว่าเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเป็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์อะไรก็ตามเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นมัน ตายไม่เป็นผู้ตายการเห็นอย่างนี้นะ่ะมันไม่ใช่เลกต้ อ, อยเป็นเรื่องใหญ่มากนะเราฝึกตนสอนตนไปอย่างนีน้ไม่อยู่ทุกคนทุกคนต้องแก่ต้องเก็บต้องตายทุกคนก็ต้องมาแก่ไหเจิตวิทาอยู่กับด้วยกันนั่นแหละภาวะที่เห็นนะี่ยจนในที่สุดเห็นหมดทุกอย่าง นี่คือสัมมาทิฏริอวิสัชต์ในขององค์มรรคในศาสนาของพระเจ้าน่ะศาสนาสมาสพเจ้านะ่ะว่ามีองค์มรรคว่ามีอริสัจอันประเสริฐอยู่ในคนเราน่ะมาประกอบขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้หวนเกิดมาใม่ขึ้น ในชีวิตเราเนี่ยวันนี้วินาทีเนี่ยเอาความรู้จากตัวมีโอกาสทุกขณะหายใจเข้าก็รู้ได้ช่วยโอกาสช่วยโอกาสเกตอนสอนตอนไปเพิ่มไปเพิ่มไปมน่าก็ พรรษาเนี่ยก็หมดไปแล้วเอาึ้นไม่ได้เราอย่างครึ่งเดียวชีวิตเราก็หมดไปจะมัวหลงกันจะมัวหลงกันอยู่เสียเวลามากเอาตั้งแต่วันนี้ไปนันไปนั่งนั่งนอนนอนรู้จักตัวไปไม่ใช่เดินไม่หยุดไม่หยอนะ่อนเห็นไม่ชีเดินตาก ข, น, ขนัน ัอดีจะค่้ยปวดบวมนะไม่เคยอะประเทศไทยกำลังมีโรคนะอ่ะปวดบวมกันแต่วนี้ก็มีวัดถี่ไอผันใหม่ด้วยพยายามรักษาตัวดีๆกินข้าวอิม่มนอนให้หลับออกกำลังกายพอประมาณอย่าก อ, อนแดกกันไป บางทีหลองตาก็พยายามช่อยตัวเอเดินจงกรมแต่ต้องวันละชั่วโมงตอนเช้าเดินวายวายวินาทีละสองเก้าโดยทีเดียววินาทีละเก้าไม่พอเอาเพิ่มเขาไวินาทีหนึ่งได้สองเก้าชั่วโมงหนึ่งจะเป็นหมื่นเก้านะไม่ใช่น้อยนะเจ๋อเจ๋อขนาดไม่ใช่เล็กน้อยนะ เดินเหนื่แข่งแขนด้วยอย้าเแบบน้อนะตงตานะน้องตาเดินแข่งแขนอ๋อไอ้สองของการแข่งแขนเนีเราได้ประโยชน์เะจากการฟักฟื้นทายคืนแข่งแขนเดินจังกรแบบแข่งแขนไฟปฟไปไป้าเดินอยู่กรุงเทพมันเดินช้ามันได้ถ้าเดินชา้าโย่มากรดต้องเดินแข่งแขนได้ไง ก็เลมาเดินอยู่ h h aument, ouais. strong, ีไหวเลยทีเดียวถ้าม่เช่นันปีนี้ขอเดินยึดยักเยอะมันยกไม่คลองแล้วมันหนักพยายามลดหลงหักมันก็ยังหนักอยู่มันแก่มันยึกยักยออพามเดินโดยไหวนะอย่าประมาทนะถ้าโวยแฉเพื่อนๆกันแม่แ้วแม่เพียนแม่อะไร มนนแม่คำอย่านอนเหล่าขนแล้วงออย่านอนเหยียดตัวตรงๆแขนวางตรงๆมือแขนว า, างตรงอก อ, ก อ, กอัดให้งามนอนอ่ะอย่าไปปล่อยเนื้อปล่อยตั ว, ตวนะคนแกนอนนอนนงามๆขาแขนมาเรียบร้อยผ้านุ่งผ้าห่มให้เรียบร้อยนอนงมามๆอย่าทิ้งก่วงข้างหัดตนสอนตนให้สวยงาม เวลาจะนอนตายเลยถ้าตายก็ตายถ้านอนลงมาถ้านอนตายดีนะหลังตาเดินได้หนึงชั่วโมงแล้วไปนอนตายในเตียงเต้นเหรอเกยนอนตายไหมถ้านอนตายเนี่ยโยคะเขาเล่นโยคะใช่ไหมเขาเล่นโยคะจนหลายร้อยฉากร้อแล้วก็ท่าสุดท้ายของนอนตายหน้าตายอ้หยอดเยื่อมเลยถ้านอนตาย อายใช่เงนอนตายแต่ทำไงเวลาตายายวไงเออโก้ดีโก้กลัวมาเดินใส่ชุดจะไปชั่นนั่นนูนถ้านอนตายมันอดเยี่ยมมากนะกะห่าที่สุดเลยเราไปกลัวตรงนั้นทำไมเฮยพึกตนสอ น, อนตอนสองขวัวเจลเวลากับพระพร้อมกัน